วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้ยหกสเอ็ดตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือวันอาสาฬหาบูชาคำว่าอาสาฬหาบูชาแปลว่าการบูชาในเดือนอาสาฬหาทำไมจึงมีการบูชาในเดือนอาสาฬหาเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดา ได้ทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่สัตว์โลกหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสรพระอนุตตรสัมปวิทยาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระองค์ก็ทรงใช้เวลาใครครวนพิจารณาอยู่ระยะหนึ่ง ว่าควรที่จะนำความรู้ที่พระ อ, องค์ได้ทรงตรัสรู้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกหรือไม่ในเบื้องต้นก็มีความท้อแท้พระไทยไม่อยากที่จะสั่งสอนใครพระทรงเห็นว่าสิ่งที่พระ อ, องค์จะทรงสั่งสอน เป็นสิ่งที่ยากสำหรับมนุษย์ปุถุชนที่ยังอยู่ภายใต้ของอำนาจของโมหะอาวิชากิเลสตัณหาแต่หลังจากได้ทรงไข้ควรอยู่ก็ทรงเห็นว่าบุคคลนี้มีไม่เหมือนกันทรงแบ่งความรู้ความสามารถไว้เป็น สี่จำพวกด้วยกันทรงเปรียบเหมือนกับบัวสี่เหล่ามีอยู่สามจำพวกที่อยู่ในวิสัยที่จะเรียนรู้และปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ได้มีอยู่พวกหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะเรียนรู้และปฏิบัติตามได้พระองค์จึงทรง ตัดสินพระไทยที่จะนำความรู้อันประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงตัดสรู้ได้ทรงปฏิบัติจนพระไทยของพระองค์ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงมุ่งไปหาบุคคลที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว คือบรรดานักบวชทั้งหลายนักบวชที่มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิพร้อมอยู่แล้วจะเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะรับความรู้ที่เป็นปัญญานี้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทันทีได้ในขณะที่ฟังธรรมเลยจึงทรงนึกถึงพระปัญจวคี ผู้ที่คอยศึกษาปฏิบัติร่วมกับพระองค์มาทรงเห็นว่าพระปัญจวัคคีย์มีพร้อมด้วยศีลด้วยสมาธิแต่ขาดเพียงอย่างเดียวคือปัญญาความรู้ที่จะทำให้จิตได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์จึงทรงตัดสินพระทยัยมุ่งไปหาพระปัญจวัคคีย์ และได้พบกับพระปัญจวัคคีในวันเพ็ญเดือนแปดอย่างวันนี้เมื่อได้พบกันในตอนบ่ายพระองค์ก็ทรงสแสดงธรรมให้แก่พระปัญจวัคคีพระธรรมพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงเป็นครั้งแรกนี้ที่เราเรียกว่าพระปฐมเทศนามีชื่อว่า รรมจักกัปปวัตนสูตรเป็นธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแก่นของพระพุทธศาสนาคือพระอริยสัจสีและมรรคแปดที่เป็นทางดำเนินสู่การหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากที่พระองค์ ได้ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาเสร็จหนึ่งในพระปัญจวัคคีคือพระอัญญาณโกนทัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมเข้าใจถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถน้อมเอาเข้ามาปฏิบัติดับกิเลสตัณหาในขั้นที่หนึ่งคือขั้นของพระโสดาบันได้ทำให้อ่า สามารถปิดประตูแห่งอบายได้และตัดภพตัดชาติให้เหลือเพียงเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติขึ้นสูงกว่าระดับที่ได้บรรลุถ้าเกิดมีเหตุทำให้ตายไปก่อนก็จะกลับมาเกิดใหม่ไม่เกินเจ็ดชาติแล้วก็จะสามารถปฏิบัติเพื่อให้ขึ้นไปต่อ สู่ขั้นที่สูงต่อไปได้จนถึงขั้นสูงสุดโดยที่ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนามาสอนมานำทางเพราะพระโสดาบันนี้เป็นผู้มีพระศาสนาประดิษฐ า, านอยู่ในใจมีพระธรรมของพระพุทธเจ้าประดิษฐ า, านอยู่ในใจถึงแม้ว่า จะตายไปร่างกายจะตายไปแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่มีพระพุทธทศาสนาอยู่ในใจก็สามารถที่จะบำเพ็ญต่อได้หลังจากที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะบำเพ็ญไปจนถึงขั้นพระนิพพานได้ขั้นพระอารหาันตสาวกได้เพราะคำว่า โสดาก็แปลว่ามาจากคำว่าโสตะโสตะนี่แปลว่ากระแสรกระแสสู่พระนิพพานนั่นเองโสตะเป็นผู้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานโสดาบันผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนี่จะไม่มีทางกลับไปเป็นปุถุชนอีกต่อไปจะมีแต่มุ่งไปสู่พระนิพพาน ออกจากวัตตะสงสารวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันวิอาสารหาบูชาเป็นวันที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาครบอรอบ มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงพระธรรมคำสอนมีผู้ฟังคือพระอาญญานโกนทัญญะได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาจึงเป็นจึงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองคจง์จึงถือว่าเป็นวันก่อตั้งของพระพุทธศาสนา เป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาขึ้นมาพระพุทธศาสนานี้จำเป็นจะต้องมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จึงจะสามารถตั้งอยู่ได้เป็นเวลาอันยาวนานถ้ามีเพียงแต่พระพุทธเจ้าโดยที่ไม่มีการประกาศพระธรรมคำสอน<ม>ก็จะไม่มีพระอริยสงสาวร ถ้าบระพุธเจ้าได้ทรงตัดสินพระไทยไม่สั่งสอนพระ อ, องค์ก็จะไม่แสดงธรรมพระธรรมคําสอนก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เมื่อไม่มีพระธรรมคําสอนก็จะไม่มีผู้มาศึกษาเมื่อไม่มีผู้ศึกษาก็จะไม่มีผู้ที่จะบรรลุเป็นพระ อ, อริยสงสาก์ก็จะไม่มีใครที่จะ สืบทอดพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วคือตายจากโรคนี้ไปแล้วก็จะไม่มีศาสนาพุทธอยู่ต่อไปแต่ถ้ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนมีพระอริยสงสาวกุก็จะมีการอนุรักษารักษา พระำคำพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้อยู่คู่ไปกับโลกได้เป็นเวลาอันยาวนานจึงปรากฏมีพระพุทธศาสนาขึ้นมาวันนี้จึงถือว่าเป็นวันก่อตั้งของพระพุทธศาสนาหรือวันเกิดของพระพุทธศาสนาก็ได้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าอายุของพระพุทธศาสนามีอายุ ยาวเท่าไหร่ในขณะนี้ก็ให้เอาปีพศเช่นปีนี้พศสองพบวกกับสี่สิบห้าเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงสั่งสอนอยู่สี่สิห้าปีก่อนที่จะเสด็จจากโลกนี้ไปพระพุทธศาสนานี้เราเริ่มพระ พุทธศักราชนี้เราเริ่มนับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากโลกนี้ไปงั้นปีนี้สองพันห้า้อยหกสิบเอ็ดเป็นสองเป็นสองพันห้า้ยหกสิบเอ็ดปีที่พระพุทธเจ้าได้จากพวกเราไปแต่พระพุทธศาสนานี้เกิดก่อนที่พระพุทธเจ้าจะจากเราไปสี่สิบห้าปีงั้น อายุของพระพุทธศาสนาจึงต้องบวกกับสี่สิบห้าสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบวกกับสี่สิบห้าก็ได้สองพันหกร้อยหกปีสองหกศูนย์หกหกหนึ่งบวกสี่สิบห้าสองห้าหกหนึ่งบวกสี่สิบ้าก็ได้สองหกศูนย์หกนี่คืออายุของพระพุทธศาสนา และจะอยู่ต่อไปคู่กับโลกได้ประมาณห้าพันปีด้วยกันอันนี้เป็นคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงได้ตัดไว้ในโอกาสที่มีพระพุทธมารดาเลี้ยงได้นำอาพาตายจีวรที่ทรงตัดเย็บด้วยพระ อ, องค์เอง เอามาถวายให้แก่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธถวายถึงสามครั้งก็ทรงปฏิเสธทั้งสามครั้งว่าไม่ขอรับเป็นของตนให้ถวายเป็นของสงฆ์คือให้ถวายเป็นสังฆทานคำว่าสังฆทานก็คือไม่ได้เจาะ จ, จงให้กับพระรูปใดรูปหนึ่ง ให้เป็นสมบัติรวมเป็นสมบัติส่วนกลางของพระทุกรูปให้พระผู้ที่อยู่ร่วมกันได้พิจารณาว่าพระรูปใดขาดแคนพระผ้าก็ให้พระรูปนั้นรับไปใช้สาเหตุที่ให้ถวายเป็นสังฆทานเพราะว่าจะได้มีประสงค์อยู่ กับพระพุทธศาสนาไปนานๆ น, นั่นเอง ถ, ถ้ามีแต่ญาติโยมถวายผ้าให้กับพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ถวายให้กับพระภิกษุรูปอื่นพระภิกษุรูปอื่นก็จะอยู่อย่างอดอยากขาดแคลนและอาจจะอยู่ไม่ได้อาจจะต้องลาสิกขาไปก็จะไม่มีพระภิกษุสงฆ์มาศึกษามาปฏิบัติมาสืบทอด าศาสนานั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงบอกกับพุทธมารดาเลี้ยงว่าให้ถวายผ้านี้เป็นสังฆทานเพื่อจะได้อนุรักษ์รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ได้นานถึงห้าพันปีนี่คือเรื่องของการถวายสังฆทานคือ พระองค์ต้องการให้ญาติโยมดูแลพระภิกษุทุกๆรูกให้มีปัจจัยสี่พอเพียงทั่วถึงกันไม่ให้ไปเลือกที่รักมากที่ชังกับพระรูปใดรูปหนึ่งชอบพระรูปนี้แต่ไม่ชอบพระรูปนั้นก็ไปถวายแต่พระที่เราชอบพระที่เราไม่ชอบก็อาจจะไม่มีใครดูแล ก็อาจจะทำให้ไม่มีพระมาบวชกนันนี่คือเรื่องของคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาว่าจะอยู่ได้นานไม่นานส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การสนับสนุนของพุทธบริษัทของศรัท ธ, ธาญาติโยมให้สนับสนุน กับสง์เป็นส่วนรวมเพื่อสง์จะได้อยู่กันอย่างร่มเย็นผาสุขไม่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในเรื่องปัจจัยสี่ในเกเรื่องของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอย่างพวกเรา ปรากฏขึ้นมาในวันอาสาฬหาบูชานี้ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนา mm hmm. พวกเรานี้ก็จะไม่มีผู้นำผู้สอนผู้ที่จะพาให้เราได้ออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเพราะพวกเราโดยดำพังนี้จะไม่มีความรู้ความสามารถที่จะ พาตัวเราให้ออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยเพราะเราไม่มีความรู้ขาดความรู้ไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่าเรานี้เกิดมาได้อย่างไรและไม่รู้ว่าหลังจากที่เราตายแล้วหลังจากที่ร่างกายเราตายแล้วเรายังไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เรายังไปเกิดใหม่นี่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่รู้กันถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบก็ดูคนที่ไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเขาจะไม่เชื่อว่าจะมีการเวียนว่ายตายเกิดกันเขาจะคิดว่าเมื่อร่างกายตายไปแล้วก็จบที่เรียกว่าตายแล้วศูนย์ทำอะไรไว้ จะทำดีทำชั่วก็ไม่มีผลตามมาเพราะไม่มีผู้ไปรับผลดีผลชั่วในเมื่อร่างกายผู้กระทำนั้นได้ตายไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถเอาคนตายไปขังในคุกในตารางได้มีแต่จะต้องเอาไปเผาเอาไปฝังเท่านั้นเองนี่เป็นเพราะว่า เขาไม่มีความรู้ความสามารถที่จะเห็นตัวผู้ที่กระทำความดีความชั่วดา อ, อผู้ที่กระทำความดีความชั่วจริงๆนั้นไม่ใช่ร่างกายออร่างกายเป็นเพียงเครื่องมื อ, เ, อ, อเหมือนกับปืนนี้ปืนนี้เป็นเครื่องมือที่เราเอามาใช้ทำร้ายผู้อื่น ตัวปืนนี่เขาไม่ได้ถูกจับไปลงโทษเวลาที่เจ้าหน้าที่ํำรวจจับคนฆ่าผู้อื่นด้วยปืนเจ้าหน้าที่จะไม่เอาปืนไปลงโทษแต่จะเอาคนที่ใช้ปืนนี้ไปลงโทษฉันใดร่างกายนี้ก็เป็นเครื่องมือเหมือนกับอาวุธอย่างหนึ่งคือปืนส่วนผู้ที่ใช้ร่างกาย ให้ไปทำร้ายผู้อื่นหรือให้ไปทำความดีต่อผู้อื่นนี้ไม่ได้เป็นร่างกายผู้ที่ใช้ร่างกายคือจิตใจผู้รู้ผู้คิดเนี่ยผู้คิดนี่แหละเป็นผู้สั่งสั่งให้ร่างกายไปทำร้ายผู้อื่นหรือสั่งให้ร่างกายไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นดังนั้นผู้ที่จะรับ ผลบุญผลบาปจึงไม่ใช่ร่างกายผู้ที่จะรับผลบุญผลบาปนี้คือใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายเนี่ยเราคือใจเราไม่ใช่ร่างกายนี่ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่เราจะหลงคิดกันไปว่าเราคือร่างกายเราจะคิดว่า ร่างกายเป็นเราเราเป็นร่างกายแล้วพอร่างกายเราตายไปเราก็จะตายไปกับร่างกายเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปจะรับก็แต่เฉพาะช่วงที่ร่างกายมีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปไม่มีที่นี่คือ ที่มาของคําว่าตายแล้วศูนย์ถ้ามองไปที่ร่างกายเราก็จะมีความคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเรามองไปที่จิตใจเราก็จะเห็นว่าตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วไปเกิดต่อไปรับผลบุญผลบาปต่อเพราะผู้ที่อสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆนี่ ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั่นเองนี่เป็นความรู้ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะสอนให้เรารู้ว่าเราเป็นจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เราต้องมาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเพราะใจเรานี้ไม่มีความสุขในตัวเอง ใจของเรานี้มีแต่ความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะหาความสุขจากราบยศสรรเสริญการจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เราต้องอาศัยร่างกายเราต้องมีร่างกายดังนั้นเวลาที่ร่างกายที่เรามีอยู่นี้ตายไป เราก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ของเราแล้วพอเราได้รับร่างกายอันใหม่มาเราก็จะเลี้ยงดูร่างกายให้เจริญเติบโ ต, ะตะขึ้นมาเพื่อที่จะได้เอาร่างกายนี้ไปหาความสุขต่างๆพอเราเจริญเ ต, ะ ต, ะตะิบโตมีความสามารถ เราก็จะไปหาสิ่งที่เราอยากได้กันสิ่งที่พวกเราทุกคนอยากได้ก็คือาลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายอันนี้ไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครบอกเพราะมันมีฝังอยู่ในใจของพวกเราทุกๆคนคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา กามตัญหาก็คือความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะชนิดต่างๆมาเสพมาสัมผัสความอยากมีอยากเป็นอยากได้ลาบยศสรรเสริญสุขเรียกว่าความอยากมีอยากเป็นภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขไป นี่มันเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในใจของพวกเราทุกคนพวกเราจึงต้องมามีร่างกายกันอยู่เรื่อยๆเวลาที่ร่างกายเราตายไปเราก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่ช่วงที่เรารอรับร่างกายอันใหม่ช่วงนั้นหละเป็นช่วงที่เราจะไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่เราได้ทำไว้ ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เวลาที่เรามีชีวิตอยู่นี้บางครั้งเราก็ทําบาปกันเพราะบางครั้งเราต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เราไม่มีความสามารถที่จะซื้อมาหามาได้โดยวิธีที่ถูกต้องเราก็ต้องไปหาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นไปลักขโมย ข้าวของเงินทองของผู้อื่น เ, ออเพราะเราอยากจะใช้เงินทองไปซื้อไปทำอะไรต่างๆแต่เราไม่สามารถหาเงินทองได้ด้วยตนเองเราก็เลยต้องไปขโมยข้าวของเงินทองของผู้อื่นมาใช้ออนี่ก็เป็นการทำบาปออหรือบางทีเราก็ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ถ้าเราไม่มีเงินไปซื้ออาหารมาทำเราก็ต้องไปยิงนกตกปลาเป็นต้นเพื่อที่จะได้มีอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองการกระทำเหล่านี้เรียกว่าเป็นการทำบาปและบาปนี้ก็จะมีผลกับเราตอนที่เร า, าขณะที่มีชีวิตอยู่ มันก็มีส่งผลให้กับเราและหลังจากที่เราตายไปมันก็ส่งผลให้กับเราต่อช่วงที่เราไม่มีร่างกายออขณะที่เรามีชีวิตอยู่ เ, ออเวลาที่เราตื่นออถ้าเราไปทำบาปมันก็จะส่งผลให้ไปที่จิตใจทาให้จิตใจเราไม่สบายใจ เราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่เราทําบาปกันเวลาที่เรารักขโมยเวลาที่เราโกหกหลอกลวงกันเราจะมีความรู้สึกไม่สบายอันนี้ก็เป็นผลของบาปอย่างหนึ่งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แต่ผลที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็มีอยู่คือเราอาจจะไม่ถูกจับไปลงโทษก็ได้ หรืออาจจะถูกจับไปลงโทษก็ได้เวลาที่เราทำผิดกฎหมายเพราะว่าบางทีเขาไม่รู้ว่าเราทำผิดเขาก็ไม่มาจับเราหรือถ้าเขารู้แต่เราหลบหนีได้เขาก็ยังจะจับเราไปลงโทษไม่ได้แต่อย่างน้อยใจของเราจะไม่สบายใจไม่ว่าจะถูกจับหรือไม่ถูกจับ เราก็จะมีความวิตกกวาดกลัวต่อการที่จะถูกจับไปลงโทษนอันนี้ก็เป็นผลของบาปอย่างหนึ่งผลของบาปอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เรานอ น, อนหลับเวลานอนหลับนี่เราจะฝันกันเวลาเราฝันร้ายนี่ท่านบอกว่ามันเป็นผลที่เกิดจากการทําบาปของเราเพราะว่าเวลาที่เราทําบาปนี้ เรากำลังบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เราทําบาปนี้ไว้ในใจของเราพอเวลาที่เรานอนหลับใจของเราก็จะเอาเหตุการณ์ที่เราบันทึกไว้ในตอนที่เราตื่นมาแสดงให้เราดูเราจึงมีการฝันฝันดีบ้างฝันร้ายบ้างฝันดีก็เป็นตรงกันข้ามกับฝันร้าย คือเป็นผลเกิดจากการทำความดีเวลาเราทำความดีทำบุญทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเราก็จะบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ในใจของเราเหมือนกับเวลาที่เราทำบาปแล้วเวลาเรานอนหลับเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราไม่ได้ใช้ร่างกายเวลานั้น ผลของบุญของบาปก็จะมาปรากฏให้เราได้สัมผัสรับรู้ในรูปแบบของการฝันดีหรือฝันร้ายนี่เองนี่คือเรื่องของการกระทาของพวกเราที่ส่งผลให้กับเราแต่เราไม่รู้กันเราก็เลยอาจจะไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปกันเพราะเราไม่สามารถที่จะ รู้ได้ว่าผลบุญผลบาปนี้ปรากฏขึ้นมาอย่างไรถ้าไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกเราก็จะรู้ตรงที่เราจะคอยดูแต่ตรงที่ว่าเราจะได้รับรางวัลหรือถูกลงโทษหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาของเราเองเช่นเวลาที่เราทําความดีถ้ามีคนเขารู้เขาก็อาจจะ ให้รางวัลกับเราเวลาที่เราทําผิดทําบาปเขาก็จะลงโทษเราแต่บางเวลาเราทําแล้วไม่มีใครรู้ก็จะไม่มีใครมาให้คุณให้โทษกับเราเราก็เลยรู้เพียงแค่นี้รู้ว่าทําดีหรือทําไม่ดีนี้ก็อาจจะได้รับรางวัลหรืออาจจะไม่ได้รับรางวัลก็ได้ อาจจะถูกลงโทษหรือไม่ถูกลงโทษก็ได้เราก็จะเห็นเพียงเท่านี้แต่เรื่องของความรู้สึกในใจเหล่านี้เราไม่รู้กันเรื่องของความฝันเราไม่รู้กันว่ามันมาจากการทําบุญทำบาปของเราเช่นเดียวกันแล้วเวลาที่เราตายไปเวลาที่เราไม่มีร่างกายเวลาที่เรารอรับร่างกายอันใหม่ เวลานั้นเราก็จะอยู่ในสภาพเหมือนคนนอนหลับนั่นเองคนนอนหลับก็ไม่มีร่างกายมีแต่จิตใจคนตายก็เหมือนกันไม่มีร่างกายมีแต่จิตใจพอจิตใจไม่มีร่างกายให้หาสิ่งต่างๆมาเสพสัมผัสจิตใจก็ต้องอาศัยเหตุการณ์ที่ได้กระทำไว้ที่ได้บันทึกไว้ในจิตใจ มาแสดงมาให้ดูนั่นเองงั้นขณะที่เรานอนหลับหรือขณะที่เราตายไปเราก็เหมือนกับอยู่ในโลกของความฝันนั่นเองถ้าเราฝันดีก็เป็นสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราฝันร้ายก็เป็นอบายเป็นเปรตโลกของเปรตก็คือฝันร้ายที่เกี่ยวกับความอดอยากขาดแคลนลาบากยากเย็น ผิวโหยถ้าเป็นโลกของอสุนธกายก็จะมีแต่เรื่องราวของความน่าหวาดเสียวน่าหวาดกลัวต่างๆถ้าเป็นโลกของนรกนี่ก็จะมีแต่เรื่องของความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นโกรธเกลียดนี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายของพวกเราตายไปแล้ว ใจใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็จะต้องอยู่ในสภาพของผู้ที่อยู่ในโลกของความฝันนั่นเองก็จะฝันไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รับร่างกายอันใหม่เพอได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็ตื่นขึ้นมาเวลาออกมาจากท้องแม่เด็กก็ลืมตาร้องห่มร้องไห้ เพราะออกมาแล้วก็ต้องหายใจเองเวลาอยู่ในท้องแม่ไม่ต้องหายใจถ้าไม่หายใจก็จะทุกข์จะเจ็บก็เลยร้องร้องก็เลยต้องสอนให้หายใจต้องหายใจเองต้องหาต้องดื่มน้ำเองรับประทานอาหารเองอันนี้ก็เป็นการตื่นขึ้นมาหลังจากที่ หลับอยู่เป็นเวลาอันยาวนานเพราะเวลาที่เราตายไปนี่ก่อนที่เราจะกลับมาได้ร่างกายของมนุษย์อีกก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลามากน้อยเพียงไรเพราะมันก็ต้องมีคิวเพราะว่ามนุษย์นี้เขาก็มีจำนวนจำกัดเขาก็จะผลิตลูกได้ในจำนวนจำกัด ผู้ที่ต้องการรับร่างกายก็จะต้องมารอคิวกันเหมือนกับเด็กนักศึกษาที่จะเข้ามาหาลัยก็ต้องไปสอบเอนทรานตกันจะไม่ได้เข้าไปพร้อมกันทุกคนเขาก็จะคัดเลือกเอาคนที่มีความเหมาะสมความสามารถมากที่สุดผู้ที่จะได้เกิดก่อนก็ต้องเป็นผู้ที่มีมบุญมีบรารมีมากก่อน สึงจะได้มาเกิดกันนี่คือเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนาเราจะได้รู้เรื่องราวของเราว่าเราเป็นใครและเรากําลังทําอะไรกันอยู่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะรู้เพียงชั่วขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเรา แล้วก็ไม่ใช่เป็นตัวเราที่แท้จริงคือเราจะรู้เพียงแต่เรื่องราวของร่างกายของพวกเรารู้ว่าร่างกายของพวกเรานี้เกิดมาแล้วก็จ ะ, จะเจริญเติบโตแล้วเราก็จะได้ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือไปหาความสุขต่างๆพอเราจเจริญเติบโตกันเราก็ไปหาเงินหาทองกันหาลาบกัน หาลาภหายศหาตำแหน่งหาอำนาจหาการสรรเสริญหารังวีรางวัลหาความสุขจากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพธพะเช่นการแต่งงานกันอันนี้ก็เป็นการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายหรือการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆการไปดูภาพประยนต์ดูละคร ไปดูการร้องลําทำเพลงต่างๆอันนี้ก็เป็นวิธีการหาความสุขของพวกเราในขณะที่มีชีวิตอยู่ <Yeah. S 1> ชีวิตเวลาของพวกเราก็จะหมดไปกับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกรินกาย <Yeah. S 1> แล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับการหา ทุกกับการสูญเสียความสุขต่างๆที่เราหามาได้กันเพราะสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนาต่างๆนั้นเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ได้มาแล้วก็หมดไปได้ <Yeah. S 1> ได้เงินทองมาเดี๋ยวใช้ไปแป๊บเดียวมันก็หมดละ ได้ตำแหน่งได้อะไรมาเดี๋ยวพอออกจากงานตำแหน่งนั้นก็หมดไปได้รางวัลก็ดีใจกันเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็ผ่านไปแล้วก็ทำให้เกิดมีความอยากได้ใหม่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆชีวิตของเราก็เลยเต้องพัวพันอยู่กับการแสวงหาสิ่งต่างๆตามความอยากของเรา ถ้าได้เราก็มีความสุขถ้าไม่ได้เราก็ไม่มีความสุขเราก็จะมีความเสียใจน้อยใจมีความไม่สบายใจนี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเราที่อยู่โดยไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้สอนเป็นผู้นาทาง ชีวิตของเรานี้จะวนเวียนอยู่กับเรื่องวุ่นวายต่างๆอยู่ตลอดเวลาอยู่กับการแสวงหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องสูญเสียมันไปหรือแสวงแล้วไม่ได้ก็เสียใจได้มาแล้วเสียไปก็ต้องเสียใจสรุปแล้วก็คือชีวิตของเรานี่มีแต่เรื่องวุ่นวายใจเรื่องเสียใจ เรื่องไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธศาสนานี้จะสอนให้พวกเรารู้ว่าวิธีดำเนินชีวิตของพวกเราอย่างถูกต้องเพื่อทำให้เรานี้ไม่วุ่นวายใจไม่เสียใจไม่สบายใจนี้ก็ทำกันอย่างไร ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้พวกเรานี้จะต้องอยู่แบบวุ่นวายใจอยู่แบบเสียใจอยู่แบบไม่สบายใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆตายไปก็จะกลับมาเกิดใหม่ต่อแล้วก็มาวุ่นวายใจไม่สบายใจต่อตาอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานนะและจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะนี่คือเรื่องของวัฏะสงสาร คือวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองที่พวกเรามาติดกันอยู่โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราไม่รู้ว่าเรากำลังเป็นนักโทษที่เราถูกขังอยู่ในคุกตารางที่มีกำแพงกั้นอยู่สี่ด้านด้วยกันกำแพงด้านหนึ่งเรียกว่าเกิดกำแพงด้านที่สองเรียกว่าแก่กำแพงด้านที่สามเรียกว่าเจ็บ ไข้ได้ป่วยและกำแพงด้านที่สี่เรียกว่าตายนี่คือคุกตารางของพวกเราที่พวกเราติดกันมาอยู่อย่างเป็นเวลาอันยาวนานและจะติดอยู่ในคุกตารางอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาการที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนานี้ จึงถือว่าเป็นโชคมหาศา ร, รเพราะโอกาสจังหวะที่เราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่เป็นของที่ปรากฏขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเพราะหนึ่งพระพุทธศาสนานี้นานๆถึงจะปรากฏขึ้นมาในโลกได้สักครั้งหนึ่งเพราะนานๆนนจะมีผู้มาก่อตั้งพระพุทธศาสนานคือพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาได้สักครั้งหนึ่ง การปรากฏของพระพุทธเจ้านี้จะใช้เวลาอันยาวนานกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาได้สักครั้งหนึ่งเวลาที่เรียกว่าเป็นกับเป็นกันคํารวักกับนี้เราไม่สามารถนับด้วยได้ด้วยตัวเลขเขียนได้ด้วยตัวเลขเช่นร้อยล้านแสนล้านนี่เรายัางพอประมาณกันได้แต่กับนี้มันเลยมากไปกว่าร้อยล้านแสนล้าน นั่นคือระยะเวลาว่างจากพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่จะเป็นเวลาเป็นกลับด้วยกันพระพุทธเจ้านี้ไม่มีเพียงองค์เดียวพระพุทธเจ้านี้มีปรากฏมาในโลกนี้อยู่เรื่อยๆแต่เพียงแต่นานๆมาสักครั้งหนึ่งและนานๆจะมีพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วประกาศพระธรรมคําสอน ก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาการที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ไม่แน่ว่าทุกครั้งที่เรามาเกิดนี้จะมาเกิดในจังหวะที่มีพระพุทธศาสนาหรือไม่เพราะว่าแม้แต่พระพุทธศาสนาเองเมื่อปรากฏแล้วก็อยู่ไปไม่นานบางศาสนาก็ห้าพันปีบางศาสนาก็ห้าหมื่นปีแล้วแต่ความสามารถของ ของผู้ที่รักษาพระพุทธศาสนาว่าจะรักษาได้นานหรือไม่นานศาสนาของพระพุทธเจ้าบางองค์ก็ยาวกว่า 5,000 ปีบางองค์ก็น้อยสั้นกว่า 5,000 ันปีการที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์และมาเจอกับพระพุทธศาสนาพร้อมๆกันนี้จึงเป็นโอกาสที่ยากมากเพราะการมาเป็นมนุษย์ก็ยากพอสมควร กว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่มันยากมันยากกว่าการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาออกลูกทีเป็นฝูงป่าเป็นฝูงเนี่ยแมลงเป็นฝูงแต่มนุษย์นี่ออกทีละคนสองคนเท่านั้นเองก็ลองดูประมาณของมนุษย์กับประมาณของสัตว์เดรัจฉานที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าใครมีปจำนวนมากกว่ากัน มนุษย์เรามีแค่หกเจ็ดพันล้านคนแต่<ม>สัตว์ที่อยู่ในป่า น, นี้อาจจะมีหกเจ็ดพันล้านตัวก็ได้ถ้าเรานับพวก ม, มดมแมลงสัตว์เลือ้อยคานมดแล้วก็พวกมีปีกต่างๆเนี่งนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นี้ยากมากมแล้วการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาพบกับพระพุทธศาสนา ก็ยากสองเท่าเพราะการเกิดของพระพุทธศาสนาก็ยากการเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากก็เลยคูณสองเข้าไปเพราะว่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เจอพระพุทธศาสนาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็จะไม่รู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราเราจะไม่รู้ว่าวิธีที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาหรือในทางตรงกันข้ามถ้าเรามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วมาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็ไม่สามารถรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เพราะสัตว์เดรัจฉานนี้ไม่สามารถเข้าใจภาษาของมนุษย์ได้สัตว์ที่อยู่ในป่านี้เขาอยู่กับศาสนามาตลอดอยู่ทั้งวันทั้งคืน แต่เขาไม่รู้เรื่องของศาสนาเลยเขาไม่รู้ว่าพวกเรากาลังมาฟังอะไรกันเขาก็อยู่กับเราแต่เขาไม่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาได้มาอยู่กับพระพุทธศาสนาได้ก็เพียงแต่ได้ความล่มเย็นความปลอดภัยจากศาสนาเพราะศาสนาสอนให้ไม่เบียดเบียนกันศาสต์ที่อยู่บนนี้จึงปลอดภัยเพราะไม่มีใครมาทาร้าย ถ้าไม่มีศาสนาก็อาจจะมีนักล่าสัตว์ขึ้นมาล่าสัตว์กันได้แต่พอมีศาสนาก็มีการห้ามปรามีมการสอนว่าการฆ่ากันนี้ไม่ควรไม่ถูกไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษถ้าเป็นสัตว์เดลฉานได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะได้รับประโยชน์เพียงเท่านี้กิดได้รับความปลอดภัย ได้อยู่ในเขตอภัยทานไม่มีการฆ่ากันแต่จะไม่ได้รับประโยชน์จากการศึกษาจากการปฏิบัติที่จะนำพาจิตใจให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จำเป็นจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นมีพวกเราจึงถือว่าเป็นพวกที่โชคดีมหาศาลได้เกิดเป็นมนุษย์ เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาเรียนรู้เรื่องของเราว่าเราเป็นใครกันแน่เราเป็นร่างกายหรือเราเป็นจิตใจเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วเราสูญไปกับร่างกายหรือเปล่าอันนี้ถ้าเราไม่ได้มาเรียนจากพระพุทธศาสนานี่เราจะคิดว่าเราสูญไปกับร่างกายเพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกาย ร่างกายเป็นเราแต่ถ้าเรามาเรียนจากศาสนาท่านจะสอนว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราร่างกายเป็นตุ๊กตาที่เราได้รับมาจากพ่อแม่เพื่อที่เราจะได้เอาตุ๊กตาตัวนี้มารับใช้เราเราอยากจะดูอะไรเราก็ต้องอาศัยตุ๊กตาตัวนี้พาเราไปดูเราอยากจะฟังอยากจะกินอยากจะดื่มอะไร เราก็ต้องอาศัยตุ๊กตาตัวนี้พาเราไปดูไปฟังไปกินไปดืม่มแต่เราไม่ได้เป็นตุ๊กตาตัวนี้เวลาตุ๊กตาตัวนี้ตายไปเราไม่ได้ตายไปกับมันแต่เรายังจะต้องไปเกิดต่อถ้าเรายังไม่ได้มาห้ามเหตุที่จะพาให้เราไปเกิดกำจัดเหตุที่จะพาให้เราไปเกิด เหตุที่เราพายเราไปเกิดพวกเราก็ไม่รู้กันเองว่าเป็นอะไรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรู้เราก็จะไม่รู้ว่าเหตุที่พาให้พวกเราไปเกิดกันอยู่เรื่อยๆก็คือกามะตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่เองความอยากได้ราบยศสรรเสริญสุขความอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย และความอยากไม่สูญเสียลาบยศสารเสรินสุขไปความอยากทั้งสามตัวนี้มันจะพาให้เราต้องคอยไปมีร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะความอยากนี้จะไม่ได้หมดสิ้นไปจากการที่เราทำตามความอยากกันการทำตามความอยากนี้เป็นการเลี้ยงหรือเป็นการสนับสนุนให้ความอยากนี้อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปนานๆ ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้ว่าวิธีที่เราจะหยุดการไปเกิดแก่เจ็บตายได้นี้ต้องหยุดด้วยอะไรและหยุดอะไรถ้ามาเจอศาสนาเราก็จะรู้ว่าเราต้องมาหยุดความอยากกันหยุดกามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหากันและสิ่งที่เราจะใช้ในการหยุดก็คือมรร มักก็คือทางสู่การดับทุกข์ทางสู่การละกิเลสตัณหาละความอยากต่างๆนั่นเองมักนี้พระพุทธเจ้าก็สอนในในหลายรูปแบบด้วยกันแต่ก็เป็นมักเหมือนกันเวลาที่ท่านสอนพวกที่เป็นคารวะญาติโยมอย่างพวกเราท่านก็สอนมักคือทานศีลภาวนา การก็คือการเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองคือทรงให้เรารู้จักใช้เงินทองในการกำจัดกิเลสตัณหาไม่ให้ใช้เงินทองในการสนับสนุนกิเลสตัณหาความอยากต่างๆแต่พวกเราถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเรามักจะเอาเงินทองไปใช้สนับสนุนกิเลสตัณหากัน อยากไปเที่ยวเราก็เอาเงินทองที่เราืมาอีนี้ไปเที่ยวกัน mm. เช่นหยุดสี่วันนี้คนที่ไม่เคยเข้าวัดไม่รู้จักเรื่องของศาสนาไม่รู้จักเรื่องตันหาความอยากก็จะไปเที่ยวตามความอยากกันเอาเงินที่หามาได้ไปเที่ยวกันแต่คนที่เคยเข้าวัดเคยได้ยินได้ฟังธรรมก็จะรู้ว่าการเอาเงินไปใช้ตามความอยากนี้ เป็นการไปซื้อภพชาติไปซื้อการเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะจะทำให้อยากกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองก็จะไม่ไปเที่ยวกันแทนที่จะไปเที่ยวก็จะไปอยู่วัดกันไปทำบุญกันเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญกันดีกว่าเอาไปใช้กับการาปฏิบัติจเจริญมรดีกว่าเพราะมรดนี้นอกจากการทำทานแล้วก็มี ขั้นที่สองเรียกว่าการรักษาศีลขั้นที่สามก็เรียกว่าการภาวนาอันนี้แหละคือมรรคหรือเครื่องมือที่เราจะสามารถใช้กําจัดกามตัณหาภวะตัณหาและวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจของพวกเราได้ถ้าเราเอาเงินไปเที่ยวกันเราก็จะไม่มารักษาศีลกันเราจะไม่มาภาวนากัน เราก็จะไปก่อภพก่อชาติกันแต่ถ้าเรามาวัดกันเอาเงินมาทำบุญส่วนหนึ่งมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารส่วนหนึ่งเราก็จะมีเวลาได้ม า, ารักษาศีลกันได้มาภาวนากันมาทำใจให้สงบกันมากำจัดความอยากกันอันนี้ก็อยู่ที่การที่เรา ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มีศรัทธาความเลื่อมใสความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสวัสขาโตพระกัตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งหมดว่าการที่เราจะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ เราจาเป็นที่จะต้องมาบำเพ็ญทานศีลภาวนากันเท่านั้นถ้าเราไม่มีทานศีลภาวนาเราจะไม่สามารถที่จะกำจัดความอยากต่างๆที่เป็นกิเลสตัณหาที่พาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องมาทาทานคือเอาเงินที่เราจะไปใช้ในการสนับสนุนตัณหาความอยาก เอามาใช้ในการตัดตันหาความอยากด้วยการทำบุญด้วยการแบ่งปันทำทานมีข้าวของเงินทองก็ไปสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วมันจะทำให้ความอยากใช้เงินในทางที่ผิดมันหายไปและหมดไปแล้วจะทำให้เรานี้ไม่ต้องไปเดินนนหาเงินกันมากมายกายกอง เสียเวลาหมดเวลาไปกับการหาเงินเพื่อที่จะเอาเงินนี้มาสนับสนุนตันหาความอยากเอาเงินนี้มาซื้อพบซื้อชาติกันพอเราเอาเงินนี้ไปทำบุญต่อไปความอยากที่จะไปเที่ยวความอยากที่จะหาความสุขจากการใช้เงินทองก็จะหมดไปเราก็ไม่ต้องหาเงินทองมากมายหาเพียงแต่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอเราก็จะมีเวลา ที่เราจะได้มาบําเพ็ญศีลกับการภาวนาได้นนี่คืออุบายของการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าสั่งสอนญาติโยมที่ยังใช้เงินใช้ทองอยู่ก็ต้องสอนให้ทําฐานแต่ถ้าสั่งสอนนักบวชภิกษุสั ม, มนเนนภิกษุณีที่ไม่ได้ใช้เงินทองแล้วท่านก็ไม่ได้สอนเรื่องฐานท่านก็สอนเรื่องศีลกับภาวนาเอ ภาวนาก็คือสมาธิและปัญญานี่เองถ้าสอนนักบวชตั้งก็จะสอนศีลสมาธิปัญญาถ้าสอนฆราวาสญาติโยมก็จะสอนทานศีลภาวนาเพราะฆราวาสอย่างใช้เงินสนับสนุ น, น, นกิเลสตัณหาอยู่ต้องสอนให้ยุติการสนับสนุนกิเลสตัณหาด้วยการใช้เงินใช้ทอง เพราะว่าชอบเอาเงินทองไปซื้อของที่ชอบกันเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นเสื้อผ้าทั้งๆที่มีเต็มตู้ลดตู้แล้วก็ยังอยากจะซื้ออยู่ซื้อบาก็ไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษโดยไม่รู้สึกตัวโทษก็คือสนับสนุนตันหาความอยากเป็นเพื่อสร้างภพสร้างชาติต่อไปนั่นเองนี่คือโทษจากการที่เราซื้อของตามความอยากต่างๆ ให้เอาเงินที่จะซื้อของตามความอยากเหล่านี้ไปทาบุญจะดีกว่าจะทำให้ความอยากซื้อข้าวของเหล่านั้นหายไปแล้วการทำบุญก็ทำให้เราเกิดความอิ่มใจสุขใจเกิดความเมตตาขึ้นมาเกิดการทำให้การรักษาศีง่ายขึ้นคนที่ใช้เงินทองมากๆนี้ต้องหาเงินทองมากงั้นการหาเงินทองมากบางทีก็ต้องทาบาป เพื่อจะได้เงินทองมากๆง่ายๆเร็วๆแต่คนที่ไม่ต้องใช้เงินทองมากก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหาเงินทองแบบนั้นหาแบบตามมีตามเกิดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ไม่ต้องการใช้เงินมากมายก็จะทำให้สามารถรักษาสีลได้คนที่ทำบุญไม่ได้นี้จะรักษาศีลยาก แต่คนที่ทำบุญทำทานได้นี้จะรักษาศีลได้ง่ายรักษาศีลห้า ง, ง่ายเพราะคนทำบุญนี้จะไม่อยากสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่นอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นอยากจะให้ผู้อื่ น, ก, นก็มีความสุขกันฉั้นเวลาทำอะไรจะระมัดระวังถ้าเป็นการทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนก็จะไม่ทำก็จะเป็นมีศีลขึ้นมาโดยอัตโนมัติ มีศีลจากการทำบุญทำทานจะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เดิมสุรายาเมาเมื่อมีกำลังที่สามารถรักษาศีลห้าได้ต่อไปก็ขยับเพิ่มเป็นศีลแปดได้เพราะผู้ที่จะไปภาวนานี้จาเป็นจะต้องมีเวลาถ้ารักษาศีลห้านี้ยังไปเที่ยวได้ ยังไปเที่ยวไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้อยังไปดูหนังฟังเพลงได้อย่างรับประทานอาหารเย็นได้มันก็จะเอาเวลาไปหมดเวลาที่จะไปภาวนาก็จะไม่มีะแต่ถ้ามาถือศีลแปดศีลแปดก็จะห้ามกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ไปห้ามห้ามหลับนอนกับแฟนห้ามรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว ห้ามไปเที่ยวกันห้ามดูหนังดูละครน้องนําทําเพลงกันห้ามแต่งเนื้อแต่งตัวเมื่อห้ามกิจกรรมเหล่านี้ก็จะมีเวลาว่างเยอะแยะมีเวลาว่างที่จะมาภาวนากันเมื่อเจริญสมาธิมาเจริญปัญญากันถ้ามีเวลาเจริญปัญญาเจริญสมาธิเดี๋ยวก็จะได้สมาธิได้ปัญญามันอยู่ที่การเจริญนี่เอง เหมือนชาวนาชาวไร่อยากจะได้ผ ล, ลไม้พืชผลต่างๆก็ต้องปลูกกันพอปลูกแล้วเดี๋ยวไม่นานพืชผลต่างๆก็ปรากฏออกดอกออกผลขึ้นมาฉันใด ส, สมาธิและปัญญาก็เป็นเหมือนกับดอกผลที่เกิดจากการบำเพ็ญของเราอยู่การเจริญของเราการเจริญสมาธิก็ต้องเจริญสติ ถ้าเรามันจเจริญสติคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดนแทนที่จะคิดเวลาจะคิดอะไรที่ไม่จำเป็นต้องคิดก็ให้ใช้พุทโธหยุดมันบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปต่อไปเราก็จะควบคุมความคิดได้พอเรานั่งนิ่งๆเฉยๆใจของเราก็จะสงบรวมเป็นสมาธิขึ้นมาพอเป็นสมาธิแล้วเราก็จะได้เจอความสุข ที่เหนือกว่าความสุขทางปวงเหนือกว่าความสุขที่เราได้จากราบยศสารเสริญเหนือกว่าความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลถะพอเราได้ความสุขชนิดใหม่นี้มันก็จะทำให้เราสามารถละความสุขชนิดเก่าได้เวลาเกิดความอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ใช้ปัญญาที่พระเจ้าสอนว่าการทำตามความอยาก จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดเ ร, ia, เราก็อย่าไปหาความสุขแบบนั้นเมื่อเรามีความสุขแบบใหม่เราก็ไม่เดือดร้อนเลิกหาความสุขแบบเก่าได้แต่ถ้าเรายังไม่มีความสุขแบบใหม่อยู่เลิกยากจะเลิกความสุขแบบเก่านียากเหมือนคนที่ไม่มีรถใหม่มีแต่รถเก่าก็ต้องใช้รถเก่าไปก่อน said, ดีกว่าไม่มีรถเลยแต่พอได้รถใหม่มาที่ดีกว่ารถเก่าก็สามารถทิ้งรถเก่าได้เลยใครจะไปขับรถเก่าเมื่อได้รถใหม่กันอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราตอนนี้ไม่มีรถใหม่ก็เลยต้องใช้รถเก่ากันพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาซื้อรถใหม่กันมาซื้อรถใหม่ด้วยการมาภาวนากันมาเจริญสติพุทโธพุทโธควบคุมความคิดกัน พอถ้าเราควบคุมความคิดทําจิตใจของเราให้สงบได้แล้วใจเราก็จะได้ความสุขรูปแบบใหม่ขึ้นมาความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติพรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีพอเราได้ความสุขจากความสงบแล้วพอเรามีความอยากจะกลับไปหาความสุขเก่าแล้วก็บอกไม่ต้องไปไม่ความสุขเก่าสู้ความสุขใหม่ไม่ได้ ความสุขเก่านี้มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียวเดียวเหมือนควันไฟได้มาแล้วก็หายไปแล้วปล่อยให้เราหิวโหวยต่อไปเอาความสุขแบบใหม่ดีกว่าที่จะให้เราอิ่มให้เราพอตลอดเวลาให้เราสุขตลอดเวลาพอเราได้สมาธิได้ความสุขจากสมาธิแล้ว เ, เราก็สามารถเอาปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราให้ละตัณหาความอยากนี้ มาสอนใจได้สอนใจให้เลิกกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาได้นี่คือการภาวนาตอนนี้เรามีปัญญากันแล้วเราฟังเทศกันนหูฉีกแล้วเรารู้แล้วว่าต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแต่ถ้าเราไม่ได้เจริญสมาธิเจริญสติเราก็จะหยุดความอยากไม่ได้ เห็นอะไรก็ยังอยากได้ใครชวนไปเที่ยวก็ยังอยากไปอยู่แต่ถ้าเราได้สมาธิมาขึ้นมาเมื่อไหรนะ่แล้วทีนี้ใครจะมาชวนก็เฉยได้เห็นอะไรก็เฉยได้หยุดได้หยุดความอยากได้พอเราไม่ทำตามความอยากความอยากที่เคยมีอยู่ในใจเรามันก็จะเฉ า, าไปหายไปหมดไปต่อไปก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจต่อไป ไม่มีกามตัณหาไม่มีภวะตัณหาไม่มีวิภาวะตัณหาพอไม่มีการพบชาติก็จะไม่มีต่อไปการเวียนว่ายตายเกิดก็จะจบสิ้นลงจิตก็จะถึงพระนิพพานการมาพระนิพพานไม่ได้เป็นสถานที่ไม่ได้เดินทางไปสู่พระนิพพานพระนิพพานก็คือจิตที่ปราศจากความอยากทั้งสามนี้คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหา ที่ได้ถูกทำลายด้วยมรรคเกิศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาที่พวกเรามาบาเพ็ญกันในวันนี้นั่นเองเนขอให้พวกเราพยายามบาเพ็ญกันไปเรื่อยๆมากน้อยก็ทำไปทำแบบเตา่าทำอยู่เรื่อยๆทำอย่างต่อเนื่องอย่าทำแบบกระต่ายทาแบบกระต่ายก็เวลามีเวลามีอารมณ์อยากทำก็ทำเวลาไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำ เรเดี๋ยวมันจะสู้กระต่ายไม่สู้เต่าไม่ได้เต่าถึงแม้ว่าจะไปช้าแต่มันไปแบบไม่หยุดกระต่ายแม้จะไปเร็วแต่ไปแบบหยุดสู้กระต่ายสู้เต่าไม่ได้ฉะนั้นขอพวกเราเอานิทานอีศวบนี้มาเป็นเป็นบทเรียนคอยเตือนเราว่าอย่าเป็นกระต่ายกันให้เราเป็นเต่ากันทำาทละเล็กเท่าน้อยแต่ทำทุกวันทาไม่หยุดไม่ย่อน ทานศีลภาวนาพยายามทำไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำมากขึ้นไปมากขึ้นไปได้เองเรารับรองได้ว่าต่อไปเราก็จะสามารถทาลายความอยากทั้งสามให้หมดไปจากใจของพวกเราได้ทำลายภพชาติทำลายวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวก ที่กำลังนั่งเชียร์พวกเราอยู่นี่กำลังเชียร์กันอย่างเต็มที่เอาให้เต็มที่นะทานศีลภาวนาเรามาถึงแล้วพวกเธอนี้ยังมาไม่ถึงพยายามเดี๋ยวเดียวก็ถึงไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดวันก็เจ็ดปีถ้าเพียรพยายามกันรับรองได้ว่าต้องมาถึงอย่างแน่นอนนี่ก็คือผลที่เราจะได้รับจากการที่มีพระพุทธศาสนา ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราก็ยังจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปพบนี้ชาตินี้พวกเรามีหวังมีโอกาสไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครมารับประกันให้เราเราอาจจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้พบกับ พระพุทธาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่อีกนานสักเท่าไหร่ตอนนี้เรามีของพระ อ, องค์ปัจจุบันแล้วอย่าไปผัดวันประกรันพรุ่งรีบตักตัวช่วยโอกาสเสียด้วยการมาปฏิบัติบูชากันวันนี้เราต้องการที่จะบูชาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา เพราะเป็นวิธีบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นการบูชาที่ถูกต้องการบูชามีสองแบบอามิสบูชากับปฏบิบัติบูชาอามิสบูชาก็บูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูบเทียนส่วนปฏบิบัติบูชาก็คือการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เองนั้นอามิสบูชานี้จะ ไ, ได้ผลประโยชน์มาก ถ้าอยากได้รับผลประโยชน์มากอยากจะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงขอให้เรามาปฏิบัติบูชากันบูชาด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วผลอันเลิศอันประเสริฐก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวะหาปุราปริปุเรติสาคลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตางนังอุปกาปติอิชิตังปติตังต um ุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติ อราโสยะาสัพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควีนัสตุมาเตผวตวันตราโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาทนศีลิตสานิจังวุทฒาปจายโนจตาโรธรรมวัฏานติอายุวันโอสุขัง ลำลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้ปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกันแต่หลังจากเลิกแล้วก็ขออนุญาตงดถามตอบถ้าอยากไม่ไม่อยากจะถามเองก็ให้ใส่กระดาษเขียนใส่กระดาษส่งเข้ามา แล้วจะมีผู้อ่านคำถามให้อันนี้เข้ามาเท่าไหร่เ a c e b o o สามร้อยหกสิบเจ็ดคนครับ y o u t u หนึ่งร้อยสี่สิบสองคนครับเรดิโยี่สิบสามคนครับผู้รับฟังบนเขาสามร้อยสิบสี่คนครับรวมทั้งหมดแปด้อยสี่สิบหกคนครับพระอาจารย์ถ้าใครมีคำถามก็ยกมือขึ้นมาจะส่งไมโครโฟนไปให้ ถ้าไม่มีก็ถามไปทางบ้านถามได้เนี่ยคำถามจากทางไลน์ค่ะสอบถามค่ะที่วัดเวลาไปปฏิบตัติเจอแต่คนแรงอัตตาทิฐิเราอยากไปหาความสงบแต่ต้องเจอผู้คนและเรื่องต่างๆที่กระทบเลี่ยงไม่ได้แต่อยู่บ้านก็ไม่ขยนันไม่สงบฝืนใจตัวเองยาก สรุปควรปฏิบัติที่ไหนดีเจ้าคะอ๋อวัดที่ไม่มีคนสิไปวัดที่มีคนไปวัดที่เขาแยกมาให้อยู่ร่วมกันให้แยกกันอยู่แล้วก็ก็ต้องทำใจบ้างก็เพียงแต่ชั่วที่เรามาพบปะกันแต่ละคนก็อาจจะมีจริตนิสัยไม่เหมือนกันความจริงไปว่าเขาแรงเขาก็ว่าเราแรงเหมือนกัน มันไม่คิงก็ลาขาก็แรงมันงั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนงั้นเวลาเราไปอยู่วัดเราต้องทำใจอาจทาตัวเป็นเป็นเหมือนกับภาพบทใหม่นี่ภาพบทใหม่ท่านให้ทำตัวเป็นเด็กไม่อยาไปทำตัวเป็นผู้ใหญ่ทำตัวเป็นผู้น้อยแล้วก็จะอยู่ได้ แต่ถ้าเราทำตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็จะอยู่ยากพระเจ้าบอกให้ทำตัวเป็นปัตภีทำตัวเป็นเหมือนแผ่นดินใครเขาอยากจะเหยียดอยากจะย่าก็ให้เขาเหยียดไปเหยียดไปย่าไปใครเขาอยากจะดูถูกเหยียดยามก็ปล่อยเขาเหยียดยามไปเราเป็นเหมือนดินเราเป็นผู้ที่ต่ำต้อยเราไปนี้เราเพื่อไปทำลายอัตตาตัวตน เราไม่ได้ไปส่งเสริม ต, ตาตัวตนของเรางั้เราต้องพร้อมที่จะให้เขากระแทกแดกดันใครเขาจะพูดอะไรก็จะทําอะไรก็สาธุไปแล้วเราจะสบายใจคําถามต่อไปค่ะการเล่นแชร์กับการเอาเงินให้ใหเขายืมและได้ดอกเบีย้ยผิดศีลไหมเจ้าคะ่ะไม่ผิดหรอกก็เป็นการค้าอย่างหนึ่งเหมือนธนาคารเขาก็ เขาก็ได้ดอกเบีย้ยเขาก็ให้ดอกเบีย้ยก็เป็นการทําค้าขายอยู่ที่ว่าจะทําแบบทําแบบเมตตาห ร, หรือหรือโหดร้ายเท่านั้นเองถ้าดอกเยอะๆก็โหดร้าย ห, หน่อยถ้าโหดถ้าดอกน้อยหน่อยก็เมตต า, าพอพออยู่พอกินคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ ผมทำสมาธิอยู่ครับสมาธิของผมมีอาการแบบนี้ครับพอนั่งไปประมาณสองสามนาทีมีอาการเหมือนวูบนิดนึงแต่รู้สึกมีร่างกายน้อยๆร่างกายเบาอาการปวดหลังที่เคยเป็นจากการทํางานหายไปคําภาวนาหายไปเหลือแต่ลมหายใจเด่นชัดรู้สึกลมหายใจเข้าหายใจออกร่างกายเหมือนเทน้ําใส่ท่อครับ รู้สึกจิตใจสบายมีอาการอิ่มเอิบทั่วร่างกายเป็นแบบนี้มานานแล้วทํามาสามปีแล้วยังไม่พัฒนาอยากให้พระอาจารย์แนะนาจะทำอย่างไรต่อดีครับผมไม่มีครูอาจารย์ฟังธรรมะแล้วเกิดศรัทธาทำเองครับก็พยายามทำให้หมันมากขึ้นนั่งให้หมันนานขึ้นนั่งให้นานนานนานเท่าที่จะนานได้นั่งให้บ่อย ทำให้มากแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็หัดคิดทางปัญญาคิดถึงเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาให้รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากยึดก็ต้องปล่อยวางปล่อยให้เขาเกิดปล่อยให้เขาดับไปตามความเป็นจริงของเขา คำถามจากทางเฟซบุ๊กจากคุณวราค่ะมีการสวดแปลบทสวดดังนี้ภิกษูทั้งหลายอริยาาสัจสี่ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดทุกนี้คือตันหาที่ก่อให้เกิดภพใหม่ประกอบด้วยความยินดีพอใจที่พอใจที่ทำให้เพลิดเพลินในภพและอารมณ์นั้นๆล่าวคือความพอใจในการมคุณวงเล็บการมตันหา ความพอใจเห็นพบว่าเที่ยงวงเล็บภาวะตันหาและความพอใจโดยเห็นว่าพบนั้นขาดศูนย์วิภาวะตันหาไม่เข้าใจคำอธิบายภาวะตันหาและวิภวะตันหาเจ้าค่ะก็ภวะตันหาก็คือการต้องการภวะภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งฮะเช่นนอนก็อยากจะให้มันเย็นนี่ก็เป็นภาวะตันหาละ ภาวะแปลว่าสภาพสภาพเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมหรือบุคคลต่างๆคนคนนี้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าภาวะตัณหาได้คนนี้เป็นอย่างนี้อยากจะให้เป็นอย่างนั้นก็เป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็ไม่อยากให้เขาเป็นเขาเป็นอย่างนี้ก็อยากใช้ให้เขาเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่พอเขาเป็นอย่างอื่นก็เสียใจเห็นเขาดีกับเรา ก็อยากให้เขาดีกับเราไปเรื่อยยพอเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ดีกับเราเราก็เสียใจแต่ถ้าเราใช้ปัญญาเราก็ต้องรู้ว่าเขาไม่แน่นอนเขาอนิจจังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อนัตตาห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับการเปลี่ยนแปลงของเขาวันนี้ดีพวกนี้อาจจะร้ายก็ได้ วันนี้อยู่พวกนี้อาจจะจากเราไปก็ได้อันนี้ก็เป็นภาวะตัณหาก็ อ, อยากให้เป็นเหมือนเดิมภาวะอยากให้มันเป็นภาวะอย่างนี้ไปเรื่อยๆทีนี้มันเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีวันเปลี่ยนแปลงไปคำถามจากคุณกุณกอบค่ะเรียนถามพระอาจารย์ครับการฟังธรรมที่ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุดคือการนั่งสมาธิขณะฟังธรรม การนั่งทับเพียบเรียบร้อยทั่วๆไปครับคือถ้านั่งมันถ้าเรานั่งต่อครูบาอาจารย์พระผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กับเราทำเนียมไทยเราเราจะนั่งพับเทียบเราจะไม่นั่งในท่าขัดสมาธิเพราะถ้าเป็นธรมเนียมที่ว่าความเรียบร้อยความเคารพต้องนั่งอยู่ในท่าพับเทียบผู้แสดงธรรมก็นั่งอยู่ในท่าพับเทียบ เพะผู้ฟังก็ควรจะนั่งอยู่ในท่าัาพเพียบถ้าอยู่ต่อหน้าแต่ถ้าไปอยู่ที่ห่างไกลไม่เห็นกันอยากจะนั่งท่าขัดสมาธิก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรหรืออยู่ที่บ้านเราฟังทำผ่านทาง y o u t u ู e อย่างนี้จะนั่งในท่าไหนจะนอนฟังก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่โดยมารยาทแล้วถ้าเราอยู่ในสังคมก็ต้องปฏิบัติตามกติกาของสังคม คำถามจากทางอินบ็อกค่ะนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากถามว่าตอนนี้ผมเป็นนักศึกษาครับมาทำงานที่ต่างจังหวัดพอดีงานเสร็จแล้วมีเวลาเหลือก่อนเปิดเทอมประมาณ 5-6 วันอยากจะเข้าไปอยู่วัดภาวนาแต่ทางบ้านพ่อแม่มีงานที่จะต้องช่วยผมควรทำอย่างไรดีครับก็ต้องช่วยพ่อแม่ไปก่อนเนระ oh. ื่องภาวนาก็ทาที่บ้านก็ได้ เวลาก่อนนอนก็ภาวนาได้ตื่นนอนขึ้นมาก็ภาวนาได้หาเวลาที่เราพอจะทำได้ทำไปก่อนเพราะว่าหน้าที่ที่จะต้องทำงานช่วยบ้านก็มีความสำคัญระวังกิเลสมันอาจจะใช้ข้ออ้างว่าไปภาวนาเพื่อจะหนีงานก็ได้ฉะนั้นถ้าเรายังไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะไปก็ต้องอยู่ไปก่อนทำหน้าที่ คำารับผิดชอบของเราไปก่อนเมื่อเราว่างแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยไปวัดสิทำไมไม่ไปกันเวลาที่ไปเที่ยวพอเวลาจะไปวัดนี่ต้องไปตอนที่ทำงานให้กับบ้านอย่างี้มันก็ต้องรู้จักการเวลาการละเทศะคำถามจากคุณสาลิสาค่ะเพื่อนฝากถามพระอาจารย์ค่ะนั่งสมาธิ จเจริญสติเป็นประจำทุกวันมากกว่า10ปีนั่งสมาธิทีไรหลับเกือบตลอดมารู้ตัวอีกทีตอนตื่นเลยมาเดินจงกรมเดินเดินสับประหงกตลอดถ้าไม่หลับก็ฟุ้งซ่านมีวิธีแก้ไขอย่างไรเจ้าคะก็ต้องหมั่นจเจริญสติหมั่นพุทโธพุทโธอย่านั่งเฉยเฉยอย่าเดินเฉยเเดินไปก็ต้องมีพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไป ถึงจะมีสติถ้ามีสติแล้วจะไม่ฟุ้งซ่านจะไม่ง่วงคำถามต่อไปค่ะกลับมาสักสการพระอาจารย์ครับขอสอบถามเรื่องศีลถ้าใจเราคิดแต่เราไม่ได้ลงมือกระทำจะบาปหรือไม่ครับและจะเป็นการผิดศีลไหมบางทีมีอารมณ์โมโหก็คิดไปแล้วว่าทำร้ายเขาจนถึงแก่ชีวิตแต่ไม่ได้ลงมือทา จะเป็นอะไรหรือไม่ครับความคิดนี้ยังไม่เป็นบาปนะถ้าคิดเรายังไม่ได้พูดยังไม่ได้ทํานี่ยังไม่บาปแต่เป็นความคิดที่ไม่ดีอกุศลก็ควรที่จะหยุดมันเวลาคิดไม่ดีอย่าปล่อยให้มันคิดบ่อยๆเพราะคิดไปบ่อยๆแล้วเดี๋ยวอดที่จะกระจายออกไปทางวาจาทางการกระทําทางกายไม่ได้เน้นเวลาเกิดความคิดไม่ดีต้องหยุดใช้สติพุโทโธพุโทโธหยุดมัน อย่าปล่อยให้มันคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเดี๋ยวมันจะระบายออกมาทางกายทางวาจาต่อไปคำถามจากคุณนายเดีย d com ค่ะนมัสการพระอาจารย์ครับขอถามว่าเทวดาและพระอริยเจ้าที่นิพพานแล้วท่านจะมองเห็นผู้ปฏิบัติธรรมไหมครับสาธุครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะส่งจิตมาหาผู้ปฏิบัติธรรมหรือไม่ ถ้าท่านส่งจิตมาท่านก็ยังสามารถที่จะเห็นได้อย่างหลวงปู่มั่นก็มีพระพุทธเจ้าพาะาระอรหันต์มาเยี่ยมท่านอยู่เรื่อยๆแต่การจะส่งจิตไปผู้รับก็ต้องมีกระแสมีพลังจิตที่จะรับด้วยถ้าผู้รับไม่มีพลังจิตก็จะไม่รู้ว่าเขาส่งกระแสจิตมาหาเราหรือไม่เอาคําถามสุดท้ายนะคําถามสุดท้ายจากทางเฟซบุ๊กคุณเอ็มเคค่ะ การปฏิบัติอย่างไรจึงจะช่วยแก้การปฏิบัติที่ผิดจากทางได้คะเช่นเราปฏิบัติแล้วเห็นนิมิต ท, ที่เกิดจากจิตมาหลอกตนเองแต่หนักกว่าปกตินิดหนึ่งคือเราหลงและถือบุคคลในนิมิตเป็นตนเองและเกิดอะไรตามตามมาจนสติและปัญญามาตามแก้ไม่ทันเช่นนิมิตและจิตใจเชื่อไปอีกว่านี่คือท่านผู้นั้น ท่านผู้นี้ค่ะปฏิบัติหรือต้องฝึกจิตตนในแง่ไหนวิธีใดต่อเจ้าคะก็เวลาปฏิบัติต้องมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจอย่าปล่อยให้ใจตามนิมิตต่างๆไปต้องมีพุโทโธพุทโธคอยดึงใจเอาไว้อย่าปล่อยให้ใจนั่งเฉยๆรือไม่มีอะไรคอยกำกับใจเดี๋ยวไปเห็นอะไรก็คิดปรุงแต่งไปเป็นต่างๆนาน า, นาขึ้นมา ถ้ามีสติพุทธโธคอยกำกับอยู่มันก็จะไม่คิดปรุงแต่งมันก็จะเฉยเฉยรู้อะไรมันก็ไม่ไปสนใจได้เะฉะนั้นเราต้องมีสติมีพุทธโธพุทธโธหรือถ้าดูลมหายใจก็ต้องเกาะติดอยู่กับลมหายใจไปอย่าไปตามนิมิตต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาแล้วนิมิตเหล่านั้นก็จะค่อยๆจางหายไปหมดไปต่อไปถ้าเราไม่ไปให้ความสาคัญกับเขา อาและนะ้วนวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเธออันนี้เวลาน้อยหน่อยเพราะญาติโยมมาถวายของเยอะในเวลาใช้กับคำถามตอบเลยหนีไม่มาก ไว้พรุ่งนี้ต่อได้มีทุกวันไม่มาก็ติดตามผ่านทาง Facebook YouTube ได้